ไปลาวเป็นวัดกอมเง่มเลยทั้งหลวงพ่อทั้งจานาันอาทั้งคุณแม่ชีวัด ต, ตัวนี้แรงเมื่อวานหมอมาฉีดยาให้จหมูโมล่งขึ้นแต่ไม่นอนทั้งคืนเลยทั้งสามคนนะไม่รู้ผสมกัญชาหรือเปล่า คือคักไม่ยอมหลับนะตอนตีห้าจิตลงผวังฟุ๊บแล้วขึ้นเลยเอรรถมากนะสามครั้งแต่ไม่ใช่เกิดอริยมรรคนะเนี่ยสามครั้งดู <c oughs> <c oughs> วันนี้มีใครอยากส่งเงินบ้านบ้างยกเมื่อสิมีไหมเอาที่จำเป็นจริงๆนะ พส่งกันบ้านแล้วก็จะไม่ได้เทศละหลวงพ่อมีเวลาไหวอยู่แค่ช่วงเช้านี้เท่านั้นแหละตอนที่พวกเราไปกินข้าวหลวงพ่อต้องคุยกับพระนะหลัง่ากนั้นคงไม่ไหวลนะ้ใครจำเป็ น, นีจริงเขาไม่ว่านะกินข้าวเราขึ้นมานะคนไหน ไม่คิดจะส่งอันบ้านไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะเมื่อวานหลวงพ่อสอนรู้เรื่องเปล่าสอนเรื่องอะไรไหนใครรู้เรื่องเรื่องอะไรหัดทีแรกก็เลยตอบอย่างนั้นคำปั้นทุบดิน หลวงพ่อก็เทศแบบนั้นทุกวันเลยตั้งแต่ต้นจนจบทุกวันเลยนะเมื่อวานสอนพวกเราให้หัดดูสภาวะนะหัดรู้สภาวะทำไปเรื่อยๆสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอย่างโลภกับโกรธมันไม่เหมือนกันหลงกับโลภกับโกรธก็ไม่เหมือนกันสุกขกับทุกข์ก็ไม่เหมือนกัน กุศลกับอกุศลก็ไม่เหมือนกันสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวศรัทธาวิริยะอะไรพวกนี้แต่ละตัวก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองนมีวิเศษลักษณะมีลักษณะเฉพาะการที่เรารู้จักวิเศษลักษณะทําให้เราแยกได้ว่าอันนี้คือสภาวะอันหนึ่ง มันจะอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็จะดับไปนี่พอเราเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเข้าใจเข้าใจถึงลักษณะร่วมนะนักวิเามันจะลักษณะลักษณะร่วมของสภาวธรรมทุกๆตัวนะโยเวนิพานนะนิพานเป็นสภาวธรรม แต่ไม่มีลักษณะร่วมกับรูปนามรูปนามมีใจลักษณนิพพานมีแต่อัตลักษณ์นะไม่มีอ น, นิจจังทุกขังนอกนั้นจะมีลักษณะร่วมกันหมดเลยจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วมันก็ตกอยู่ใต้ใจลักเหมือนๆกัน ในการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายมันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยหยุดความปรุงแต่งหยุดการดิ้นรนหมดความแสบใสไปเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่จะรวมเข้ามาปนาสมาธินะแล้วถ้าบุญบารมีมีก็จะเกิดอริยมรรคขึ้น เมื่อวานสอนอย่างนี้นี่ก่อนที่พวกเราจะมาเจริญปัญญาอย่างที่บอกเนี่ยเราต้องมีศีลที่ดีก่อนทางเดินเหมือนบันไดเจ็ดขั้นชื่อวิสุทธิเจ็ดเป็นเส้นทางเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเริ่มต้นจากเราต้องมีศีลก่อน อย่างน้อยมีสินห้าแล้วสินที่เหนือกว่านั้นเรียกว่าอินเสียสังวรเวลาตาหูจมูกริ้นกายใจกระทบอารมณนะ์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเรามีสติรู้ทันนะอย่างมันโลบมันโกรธมันหลงอะไรขึ้นมารู้ทันไปกิเลสมันจะครอบงำจิตไม่ได้เราจะไม่ผิดสินจิตใจจะเป็นปกตินะ งันอินทรียสังวรเนี่ยฝึกให้มากแล้วจินจะเป็นปกติไม่ก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มหลงนี่เรื่องของศีลนะจริงยังมีมากกว่านี้อีกศีลมีทั้งหมดสี่อย่างอย่างเวลาเราจะบริโภคจะเสพสิ่งต่างๆเนี่ยให้เสพด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่เสพด้วยความรุ่มหลงหัวเมาจะกินข้าว จะใส่เสื้อผ้าอะไรมีสติเรียนรู้ลงไปว่าทำไปเพื่ออะไรมีปัญญาตรวจสอบไม่ได้ทำเพื่อสนองกิเลสแต่ทำเพราะจำเป็นอย่างเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าเราอาจจะไม่ต้องแพงมากแต่ถ้าเราเป็นพวกไฮโซนะเราไปซื้อของเลหลังมาใส่คนมันก็ว่ายี่ห้อดีนะ เรื่องเรื่ของปลอมมันเชื่อหน้าของคนใสนะ่หรืออย่างอาหารการกินอย่างพระเนี่ยต้องปัจเจบกขณะต้องพิจารณาอาหารก่อนจะฉันจะใช้ยาก็าต้องพิจารณาจะอยู่ในเสนาสนะก็ต้องพิจารณาอย่างพวกเราเนี่ยตียากมีบ้านใหญ่ๆหญ่อยากบริโภคบ้านใหญ่ๆหญ่ถ้งที่ไม่มีความจําเป็นเลย แทบจะครอบครัวงแทบจะมีคนเดียวสองคนอยู่แล้วอยากได้บ้านหลังใหญ่ไ ม, ม่เป็นยา ด, ดูแลเท่าไหร่เนี่ยถ้าเรารู้จักอย่างนี้นะสำรวจตัวเองการบริโภคปัจจัยเสียมันจะสมเหตุสมผลมันจะไม่เป็นหนี้นะชีวิตมีจะสงบสุขนี่เป็นเรื่องของศีลนะศีล ถัดจากศีลที่สุดเข้ามาถึงจิตวิสุทธิ์จิตวิสุทธ์คือการฝึกสมาธิฝึกสมาธิเรียนเรื่องจิตมีจิตตะศิขาไปเรื่อยๆแล้วจะได้จิตวิสุทธิ์จิตตะศิขาก็เรียนรู้ความจริงของจิตไปสังเกตลักษณะของจิตไปจิตชนิดนี้เป็นกุศลจิตชนิดนี้เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นนี้ประกอบด้วยปัญญา กุศลบางอย่างไม่ประกอบด้วยปัญญารู้ตัวอยู่เฉยๆค่อยๆเรียนไปจิตอย่างนี้ใช้ทำสมถะจิตอย่างนี้ใช้ทำวิปัสสนามีสมาธิถูกต้องลหละแต่ว่ามันมีสองอย่างสมาธิถูกต้องของการทำสมถะถูกต้องของการทำวิปัสสนามันไม่เหมือนกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนจนกระทั่งเราจะได้ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกปางขึ้นมา พอเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที้มาแล้วเนี่ยเรียกว่าเรามีจิตมีสุทธิแล้วจิตตัวนี้จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้รูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะเป็นอารมณ์ทั้งหลายคำว่าอารมณ์เป็นสั์เฉพาะนะหมายถึงสิ่งที่จิตรู้พอจิตมันตั้งมั่นเป็นคนรู้แล้วเนยมันจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยผ่านมาผ่านไปได้ ตรงที่จิตตั้งมั่นขึ้นมามีจิตวิสุทธิ์เนี่ยจะทําให้เราแยกขันได้นะแยกรูปแยกนามได้เรียนามรูปปริเชทยานตรงที่แยกรูปแยกนามมีปัญญายแยกออกมาได้แยกสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราออกมาเป็นส่วนส่วนได้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะเริ่มเดินปัญญา ที่ถูกต้องแล้วแต่ยังไม่เป็นวิปนะัสสนานี่เราเห็นสภาวะแต่ละตัวเห็นสภาวะแต่ละตัวร่างกายหายใจออกเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ร่างกายหายใจเข้าเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นผู้รู้นี่มแยกแยกรูปแยกนามจะต้องมีตัวหนึ่งคือจิตที่เป็นผู้รู้อีกตัวหนึ่ง เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่ใช่แยกนามกับนามไม่ใช่แยกรูปกับรูปนะแยกรูปกับรูปเช่นเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเนี่ยรูปพองกับรูปยุบคนละไันอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่เรียกว่าแยกรูปแยกนามงั้นแยกได้ต้องมีนามที่เป็นตัวรู้ขึ้นมานามมีสองส่วนนะนามตัวหนึ่ง เป็นเจตสิกเป็นสีที่เกิดร่วมกับจิตอีกอันหนึ่งเป็นตัวรู้เนี่ยต้องค่อยๆแยกฝึกไปด้วยตัวเนี้ยเราได้มาจากจิตวิสุทธิ์ฝึกมาจนทั่งได้จิตผู้รู้มีสองวิธีที่จะให้ได้จิตผู้รู้หนึ่งคนที่เล่นฌานเข้าไปถึงฌานที่สองเป็นต้นไปจะเกิดตัวจิตผู้รู้ในพระไตรปิฎกรีกว่าเอโกทิภาวะ นะเป็นจิตผู้รู้เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะจิตเป็นหนึ่งเนี่ยพอถอยออกมานะจะเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดนะูนี่พอจิตเป็นคนดูได้มันก็เกิดของที่ถูกดูเนะนี่ยมันก็แยกรูปแยกนามได้แยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้ตัวนี้เรียกทิฏฐิวิสุทธ นี่ดูแค่นี้แล้วเห็นสภาวะเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความโกรธ เ, เ, เกิดขึ้นเนี่ยความโกรธไม่ใช่จิตมันจะต้องเรียนรู้ต่อไปอีกความโกรธมีลักษณะเฉพาะยังไงตัวแน่ที่จะขึ้นมาสู่เรื่องวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะความโกรธมีลักษณะเฉพาะตัวรู้สึกไหมความโกรธมีลักษณะเฉพาะตัว รู้แค่นี้ไม่พอใจยังไม่ยอมนะบางคนอาจจะยอมแต่หลวงพ่อไม่ยอมนะใจหลวงพ่อนะมันเวลาเห็นสภาวะอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันคนณกว้าพีณาลงไปไม่ยอมเลิกเลยนะคนณกว้าสภาวะนี้คืออะไรนะสภาวะนี้ทำหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรนะสภาวะนี้เมื่อแสดงบทบาททำงานไปแล้วเนี่ยมีผลอะไรเกิดขึ้น เห็นตรงนี้นะจิตยังไม่แจ้งในตัวสภาวะหนึ่งตัวเนี้ยยังไม่แจ้งต้องเห็นถึงขนาดที่รู้ว่าสภาวะนี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดนะอย่างโทสะเนียมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดนะมีการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นเหตุให้เกิดเนะี่ยแต่และตัวจะไม่เหมือนกันอย่างราคะเหตุของมันคือกระทบอารมณ์ที่พอใจกุศนละทั้งหลาย มีอะไรเป็นเหตุโยนิโสมนานสิการความแยบคายในการเรียนรู้สังเกตโยนิโสมนานัสิกานะเป็นต้นต่อของกุศลอโยนิโสมนัสิการการไม่รู้จักแยบคายในการพิณาไม่รู้หลักของพระพุทธเจ้านั่นแหละคำว่าพิณาอย่างแยบคายนีหมายถึงพิณาได้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่หลักที่เราคิดเอง เนี่ยแต่ละตัวมันจะมีลักษณะนะมีลักษณะว่ามันมีพิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะตัวยังไงมันมีบทบาทยังไงมันทํางานแล้วมีผลเป็นยังไงนะอย่างเวลาความโกรธทํางานมีผลเป็นไงไหมบงทีเลือดขึ้นหน้าเลยใช่ไหมพุูงพวดขึ้นมาเนี่ยสติแตกอรารวาสนะผลนู้มันเป็นอย่างเนี้ทาไมมันเกิดอันนี้ย มีกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วในขณะนั้นไม่มีสติแล้วขณะนั้นพยาบาททำงานขึ้นมานสภาวะแต่ละตัวบางทีเกิดจากปัจจัยที่มากำหนดหลายตัวร่วมกันอย่างรูปที่ตามองเห็นนี่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะรูปที่ตามองเห็นเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้มันเกิด ก็มีตามีรูปที่ตาเห็นมีแสงสว่างนะมีจักขู่ภาษาที่ดีไม่ได้ตาบอดนะแล้วก็มีความสนใจที่จะดู่เราลืมตาอย่างนี้แต่เราคิดเรื่องอื่นคนเดินมาเราไม่รู้เลยว่าใครมานะเพราะว่าใจไม่ไม่สนใจนะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมีองค์ประกอบสี่อย่างที่เราจะเรียน เรียกลักขณะที่จตุกกะนะพรากเราอาจจะเรียนไม่ครบแต่ใจหลวงพ่อเนี่ยไม่ยอมเวลาเห็นสภาวะแต่ลนนะต้องเรียนจนครบมันอัตโนมัตินะราะงั้นมันเรียกว่ามันยังไม่รู้จักนะแค่รู้จักว่าไอ้ไอเนี่ยกโกรธแต่ยังไม่รู้จริงหรอกนะถ้ารู้จริงจะรู้บทบาทของมันผลที่เกิดขึ้นนะแล้วตรงนี้ใจก็ยังไม่ยอมนะใจจะไิยอม เข้าใจตัวนี้แจ่มแจ้งนะไม่สนใจอีกแล้วไม่สงสัยตัวนี้ต่อไปละก็แต่เมื่อมันรู้ว่ามันเกิดจากอะไระตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าปัจจยะปริฆายานแยกปัจจัยที่ทำให้สภาวะแต่และตัวเกิดขึ้นมาได้ถ้าพูดในเรื่องของวิสุทธิจะชื่อกังขาวิตรณวิสุทธ กังขาวิตรณะวิสุทธ์ยากไปไหมก็ยากเหมือนกันแหละเมื่อคืนนี้จิตมันเทศเรื่องเนี้ยนะเราไม่นอนอนะ่ะใครต่อใครวุ่นวายไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องเทศเรื่องโ น, น้นเดี๋ยวต้องเทศเรื่องนี้จิตน่ะหมุนติ้วติ้ติ้ ว, ว, วพิจนาธรรมะวันนี้ธรรมะจะยากนิดนึงพอนะรู้ เหตุตัดใจของมันแล้วเนี่ยเรียกว่ามีปัจจยะปริฆายานวิสุทธิ์ที่อะไรกังขาวิตรณะวิสุทธิคราวนี้เรารู้แจ้งสภาวะแต่ละตัวแล้วต่อไปเราก็จะเห็นสภาวะแต่ละตัวเกิดดับตรงนี้ก็จะเริ่มเดินมิปัสนาเห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความโลบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ความสุขความทุกข์ความดีความชัว่วเกิดระดับนะถ้าดูรูปอย่าง ง, ง่ายๆรูปหายใจออกเกิดระดับรูปหายใจเข้าเกิดระดับรูปยืนเดินนั่งนอนเกิดระดับเนะนี่ยก็เฝ้ารู้เฝ้าดูไปตัวนี้เรียกว่าเราเดินมีปัสสนาระนะเราเดินมีปัสสนาระเนี่ยพอสมาธิเราไม่พอนะเป็นทุกคนแหละพอเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งสมาธิไม่พอจิตฟุ้งขึ้นมานะ ตัวนี้วิปัสสนูปกิเลสจะแทบบางทีภาวนาเนะนีหลวงพ่อเคยเป็นไม่ใช่ไม่เป็นเป็นทุกคนแหละเราดูจิตดูจิตนะเห็นกิเลสผุดขึ้นมาไปดูมันนะมันหนีออกไปข้างนอกเราไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนตามกิเลสออกไปดูไล่ตามไล่ตามตีไปเรื่อยนะแลกกิเลสก็ดับสลายไปปุ๊บจิตเราไปค้างอยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่ในความสว่างความว่างเป็นโอภาษ ตัวนี้อยู่ได้เป็นปีแล้วมีความสุขนะพอใจมีความสุขอยู่ตรงนี้ยส่เมื่อรู้ทันวา น, นี่ไม่ใช่ของจริงส่วนมากไื้พวกที่ว่าบรรลุบรรลุนนะคือตัวนี้วิปัสสนูบกิเลสนะมีสติทั้งวันทั้งคืนเลยนะจิตแข็งปึกเลยกนะเป็นพระรหรันนี่นหันบางเอกนะ <laughs> นะ บางทีก็มีความสุขบางทีปัญญาเยอะนะหลวงพ่อก็เคยเป็นตัวปัญญาเนี่ยนึกถึงธรรมะอะไรนะี่มันกระจายตัวออกมาหูแยะแ ย, ยะไปหมดเลยเป็นหมวดเป็นหมู่อันนี้ลิงก์กับนี้นี่ลิงก์กับนี้นะเหมือนคนบ้ารู้เยอะแต่สู้กิเลสไม่ได้นี่พอรู้ความจริงแล้วสามารถแก้ได้วิธีแก้วิปัสสโนะถ้าทําวิปัสนาเราจะเจอวิปัสสณู เมื่อสมาธิไม่พอเงั้นวิธีแก้คือทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นนะให้จิตเข้าฐานจิตถึงฐานแล้ววิปัสสนุจะหายเราก็จะรู้เลยว่าการปฏิบัติอันไหนเป็นทางอันไหนไม่ใช่ทางนะเรียกว่ามักขามักคะยานทัศนวิสุทธนะ์รู้ว่าเป็นทางก็คือทางที่ต้องพ้นจากวิปัสสนนะุถ้ายังเห็นเกิดดับอยู่ แต่แล้วจิตไปติดวิปัสสนูไม่รู้ไม่เห็นเนะี่ยยังไม่ได้เดินในทางยังใช้ไม่ได้พอเดินถูกแล้วนะต่อไปนี้เรียกว่ปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธ์หมายถึงลงมือปฏิบัติไปนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ธรรมะตั้งเยอะนะย่อลงมาให้เหลือประโยคเดียวจำง่ายแต่และตัว กระจายธรรมะออกมาได้เยอะแยะเลยสติคืออะไรมีลักษณะยังไงทํางานแล้วเป็นมีผลยังไงเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวมีหมดนะสติรู้อะไรรู้กายใจที่จริงก็คือรู้รู้รูปนามรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้ต้องมี จิตวิสุทธิจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนะนี่ยภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็จะได้ธรรมะขึ้นมาทีนะ่ได้ธรรมะขึ้นมาก็เกิดวิมุตยานทัศนวิสุทธ์เกิดอริยมรรคอริยผลนะต่อไปตัวสุดท้ายเกิดยานทัศนวิสุทธนะ์ตัวที่เจ็ เข้าใจความจริงแล้วเข้าใจความจริงเนี่ยเขาพ้นโลกพ้นสงสารฟังไปก่อนนะชาติหน้าอาจจะได้ใช้นะชาติหน้าได้ใช้นะบุญมากแล้วนะประชาดีขี้เกียจภาวนาภาวนาไปนะภาวนาดูของจริงๆแล้วความรู้ความเห็นอะไรพวกเนี้ย มันจะถูกต้องหลวงพ่อภาวนาจนเป็นที่พอใจแล้วนะหลวงพ่อไปอ่านพิธำอ่านตำราอ่านตำราเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้จักว่าสภาวะตัวนี้ลักษณะอย่างนี้อาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะอย่างวิธีจิตพวกเรียนท่องตำรายากเหลือเกิน17ขนาดขณะจิตนะเรานักดูจิตยากอะไรวะ ไม่เห็นจะยากเลยนะก็ของเห็นอยู่ทนโทษแค่เรียกชื่อไม่เป็นเท่านั้นแหลนะก็แค่นั้นเองพอนาไปนะกิเลสลดน้อยถอยลงหรือหมดไปนะแต่พูดไม่เป็นก็มีนะครูบาอาจารย์บางองค์พูดไม่เป็นนะอธิบายใครไม่ได้รู้เฉพาะตัวนะในนี้ก็มีมีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่า มีพระอยู่ทางอีสานนะ่ท่านภาวนาดีดีแบบทีสุดขีดเลยนะเวลาเห็นโยมเดินเข้าวัดเนี่ยนะท่านรีบเดินไปที่กำแพงหรือเดินไปที่ต้นไม้แล้วไปคุยแื่เมา่ไปคุยกับกำแพงคนก็เห็นเฮ้ยพระบ้าไม่มายุ่งกับท่านเลยท่านนั้นมีความสุขมากมากนะทำไมท่านไม่สอนท่านบอกท่านสอนไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไง ก็รู้แต่ว่าต้องทำอย่างนี้ทำเนี้ยอย่างส่วนใหญ่ก็จะบอกพุโทโธไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้พุโทโธพันคนหมื่นคนมันหลุดออกมาได้สักคนหนึ่งเนะที่เดินเข้าร่องได้เจ็ดขั้นเนี่ยไนะม่ใช่ว่าทุกคนทำกรรมฐานอันใดหนึ่งเราไดนะ้ท่านทำอย่างนี้เราท่านได้แต่ท่านอธิบายแจกแจงไม่ออกนะบางองค์ภาวนานะ ย่งเป็นพระเด็กๆเลยอายุไม่เด็กอะ่ะแต่ว่าบวชตอนอายุเยอะพระเนี่ยตอนเช้ามีพระวินัยอยู่ข้อหนึ่งเรียกต้องรักษาผ้าคครองต้องมีสบงจีวรสังคติอยู่กับตัวนะตอนที่พระติดขึ้นมีวินัยข้อนี้เพราะว่าไม่งั้นเวลานอนรวมกันนะพอพระติดขึ้นตะลีตะลานจะบินทบาทยกคว้าผ้าคนอื่นใส่ไปนะยังต้องเอาไว้กับตัว นี่ท่านเกิดจะปวดท้องจะถ่ายหนักก็เดินไปเข้าซ่วมซ่วมของวัดโบราณซ่วมหลุมมีไม้กระดานพาดปากหลุมไว้สองแผ่นก็เป็นหลุมในนั้นก็เต็มไปด้วยอึนี่ท่านก็สังคติพาดไหลไปด้วยแล้วมันตกลงไปในหลุมท่านก็ต้องเอาขึ้นมาลงไป ในหลุมอ่ะหลุมก็ลึกเหมือนกันลงไปไปหยิบผ้าเห็นในหลุมนียมีนอนท่านก็นึกเราก็ภาวนามาทุกที่แล้วนะมันไม่ได้ผลเลยลองภาวนาอยู่ในหลุมส้วมนี้ล่ววนะนอนมันก็เริ่มไต่าขาท่านขึ้นมาไต่ไต่ไต่ขึ้นมาถึงหัวเข่าถึงอะไรอย่างเงี้ยนะจิตของท่านก็หลุดออกไปเลยพ้นกิเลสไปพอพ้อพอลขึ้นมาจากหลุม มาซักผ้าห้าเปื้อนสมภารมาเห็นนะก็ด่าเอาว่าไม่รู้จักไปร่ำเวลาจะเป็นเวลาออกบิณฑบาตดันมาซักผ้านเนี่ยไม่รู้ว่ากิจอะไรควรทำกิจอะไรไม่ควรทำท่านก็ตอบสมภารบก่กกิจของผมไม่มีแล้วสมภารก็ไม่พอใจนะวดอุตริ องค์นี้ท่านก็บอกว่าถ้ายังไงไปหาหลวงปู่มั่นกันให้หลวงปู่มั่นตัดสินนี่ก็เดินจากวัดท่านนะเดินมาหลายวันสามวันนะถึงหลวงปู่มั่นเจอหน้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไล่กลับเลยไม่มีธุระแล้วกลับไปได้แล้วนะต้องรีบกลับเลยนะอย่าถลายกลางทางนะต้องกลับเดินกลับมาถึงวัดเป็นวันที่เจนะ็ดแล้วท่านก็ตายวันนั้นเลยนะ แต่ท่านไม่ไม่มีภาระไม่ได้คิดจะสอนอะไรใครนี่เล่านิทานเพลินไปแล้วมันยังเหลือเวลานะสนุกไหมยากไหมหากทอนาแล้วไม่ยากหลวงปูด่ดลสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเนะี่ยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองผมอ่านจิตตนเองไปเรื่อยๆสิเบื้องต้นจะได้จิตวิสุทธิ์ได้ตัวผู้รู้นะอ่านจิตต่อไปมันจะได้ปัญญามันจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตและกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับจิตก็เกิดดับนะจิตไม่เที่ยงถ้าใครบอกจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะหลวงปู่ล่าผู้เจ้าก็บอกนี้เลยถ้าใครว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิ จิตผู้รู้่ไม่ใช่จิตกระจอกอย่างพวกเรานะจิตผู้รู้ใครว่าจิตผู้รู้เที่ยงนะเป็นวิชาทิฐิจิตผู้รู้คือจิตอวิชามันถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มไว้โดยเฉพาะอาวิชัศสวะอวิชาหุ้มไหมต้องภาวนาไปนะเราจะเห็นวนะ่จิตถูกหุ้มไหมมีเปลือกหุ้มนะทําไงก็ไม่แตกเหนียวที่สุดทนที่สุดนะทําไงก็ไม่ระเบิดไม่แตก ตัวที่ทำให้มันแตกได้นะันคืออริยมัติเปลือกที่ห่อหุ้มเนี่ยแตกแตกไปแล้วไม่ขี่อึดใจแป๊บเดียวไม่ถือใจหรอกก็กลับมาปิดใหม่สมานแผลอย่างเร็วต้องแตกสี่ครั้งนะนหลวงปู่เดินท่านเคยสอนหลวงพ่อถามท่านว่าจะต้องผ่านตัวนี้กี่ครั้งท่านก็นับห 4. 4. นึ่งสองสามสี่่งั้นเราหัดไปนะ ให้มันมีจิตเป็นคนรู้รู้อะไรรู้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรูนะ้ความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาผ่านไปจิตเป็นคนรู้ตัวจิตเองก็เกิดดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้คิดกลายเป็นจิตผู้เพ่งกลายเป็นจิตผู้หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอนะไรอยจิตไม่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกทางทวารใจเนี่ย เกิดด้วยการเพ่งบ้างด้วยการหลงไปคิดบ้างด้วยการเป็นตัวรู้บ้างทางตาเนี่ยเป็นจิตไปดูเวลาที่จิตไปดูเนี่ยจิตดวงอื่นไม่มีนะจิตเกิดดับทีละดวงจนะหเห็นในเวลาดูไม่ได้ฟังเวลาฟังไม่ได้ดูเวลาดูไม่ได้คิดเวลาคิดก็ไม่ได้ดนะูค่อยๆสังเกตไปนะฝึก เรียนรู้ไปเรื่อยแล้วสุดท้ายก็จะเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเจตสิกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราจิตที่เป็นตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะตัวนี้ได้ปัญญาขั้นต้นฟังตั้งนานแล้วรู้สึกยากแสนยากหลวงพ่อย้ำบอกปัญญาขั้นต้นอีกนะแต่ปฏิบัติจริงไม่ยาก ที่ยากนี่หลวงพอแจกแจงให้ฟังหรอกปฏิบัติจริงก็คือกลายเป็นยังไงรู้อย่างนั้นแหละจิตเป็นไงรู้อย่างนั้นแหละอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าหลงลืมกายอย่าหลงลืมใจแต่อย่าแทรกแซงนะแค่นี้แหละนะเดี๋ยวทุกอย่างที่เล่าให้ฟังเพื่อปรากฏแก่จิตใจของเราแต่พอเราเข้าใจแล้วนะแต่เราคนเข้าใจไม่เท่ากันหรอกบางท่านอย่าบางท่านท่าน จบแล้วท่านยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้นะบางท่านเป็นปุถุชนแต่อธิบายเก่งอธิบายชดชดชด ช, ดชดเก่งมีสารพัดรูปแบบสมัยพุทธกาลมีนะพระปุทิล์เป็นปุถุชนสอนพระใจพิดกได้เก่งขนาดนั้ น, น <ะ S 2> สุดท้ายพุทธเจ้าเล่นงานท่า น, นว่าใบลานเปล่าว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารในจิต ท่านอับอายนะออกไฟภาวนาในี้สุดท่านก็จบจบแล้วแตกฉานมากเลยนะเพราะว่าพื้นความรู้เดิมมีอยู่แล้วสามารถลิงก์เอาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเข้าด้วยกันได้หมดเลยนะเอไปกินข้าวไปแล้วรับสองอะ่ะถ้าใครจะถามนะก็ขึ้นมาแต่ไม่ควรจะขึ้นมาเยอะนะหลวงพ่อไม่มีแรงเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปคุยกับพระก่อน